ฟังทำกันต่อนี่คือพูดมีผู้ฟังการฟังทำก็คือการฟังเรื่องของเรานี้เรื่องของเราก็คือกายคือใจการที่จะยึดยินเรื่องของกายของใจก็คือการได้ฟัง เราก็มีกายเรามีใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็เหมือนกันต็เราฟังแล้วน้อมไปปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติพวกเราออกหัวจากเดือนไม่เกียวข้องโดยบ้านด้วยเรือนแล้วเราอยู่ในภากอสพัด มาอยู่ในวัดวาอารามก็มีทุรละที่ต้องทำในเรื่องนี้เราใช่มาอยู่สนุกสบายไี่เกียจที่ค้านง่เงามาอยู่ในวัดในว่าตัวตัวไม่ลอดไม่ใช่อย่างนั้น ที่เรามาอยู่ที่นี่ก็ล่วนแต่ผู้ที่มีปัญญาชนเป็นปัญญาชนทั้งนั้นสำเร็จในการอาชีพการงานการศึกษาทางโลกจนได้รับความสะดวกการธรามาเจน จะจัดสเวลามาบวชมาศึกษาธรรมะนี่ก็มีทุละให้ทําปฏิบัติตามธรมธรมศึกษาและธรรมเป็นคือเรื่องชีวิตการศึกษาและธรรมก็คือกา ร, รปฏิบัติธรรมหรือว่าทุละกทุลัของเราก็มีอยู่สองอย่างขันธ์ฐานทุละคือการศึกษาแล้วเดียน เรื่องของพระสูตรตงตองที่มันเกิดจากกายจากใจเรานี่นี่ทําม่มมวินในมิปัจฉนาธุลาก็ปฏิบัติทรทำตามวินในนั้นมีสติเปนในกายเห็นกายเคลื่อนไหวกู้แขนเข้าเหย่าฉันออกมีสติ ดูก่อยเคลื่อนไหวจะเห็นใจที่มันคิดหรือว่าได้หลักแล้วได้หลักศึกษาแล้วจะได้เห็นเรื่องกายเรื่องใจห้เกิดไหลขึ้นล่างถ้ามีสติจะเป็นตัวเฉลวยได้เป็นการศึกษาได้ทลุง่มได้ให้เป็นสติทุกเรื่องทุกหลาอที่มันเกิดขึ้นมา้ากับใจเรียกว่าศึกษาศึกษาคือทะลุง ไห้ได้ความถูกออกมาแม่มันเกิดผิดที่จากกายจากใจข้ามันเกิดความถูกออกมาคราวเดียวกันนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรร ม, ร ม, รมถ้ามีสติเห็นกายเคลื่อนดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกจะไม่ปล่อยกายทิ้งจะไม่ได้ปล่อยใจทิ้งจนการศึกษาถลุงจึงเป็น ศึกษาและทำเป็นคือเดงชีวิตชีวิตต้องจะเติบโตขึ้นอย่างนี้เพราะไม่ได้ทิ้งความผิดความทุกข์ที่มันให้มีอยู่ในกายในใจได้เอากายเอาใจนี่ไปต่อยอดให้มันเกิดความดีขึ้นมาศึกษาและทำเป็นคือเรื่องชีวิตเนี่ยจะได้เห็นที่มันเกิดจากกายจากใจอยากได้เห็นเรื่องที่มันเกิดกับกายกิดใจ มากมายกายกองถ้ามีสติตามหลักของวิปัสนาทุละวิปัสนาคือวิคือวิเศษนายยะคือนำไปสู่ความวิเศษนี้สติเห็นเหมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นทวงลู้วิเศษกัเษวเก่า ย่อทุกเป็นความรู้ดวิเศษกเก่าเก่าน้อมไปสู่ความดีความวิเศษจนมิเป็นวิปัจสนาชัมนี้ชัมนานอย่างรู้รู้แจ้งทะลุท ะ, ทะลวงที่มันเกิดรู้แจ้งทะลุท ะ, ทะลวงในเสียงที่มันเกิดกับกากับใจแล้วก็ได้ใช้กายใช้ใจมาผิดจะได้เห็นล่องลอยของ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะกายจะใจเรามากมายบา <c oughs> งคนก็เป็นโทสะจลิตอะไรเหอนมันร่างติดิอยู่ ด, ดีมันก็เกิดความอิจฉาพยาบาทขึ้นมาคิดเห็นการเก่าๆที่มันเคยทำมามันหลงก็หลงมันโกดก็โ ก, โกมันทุกข์ก็ทุกข์มัน อะไรเกิดขึ้นว่าถามถามมันมาจะมาฉายให้ดูจะได้เห็นจะได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมมีให้เปลี่ยนอยู่เรื่อยละถ้ามีสติดูก่อยเคลื่อนไหวเห็นใจชิตนึกจะได้สอนก่อยจะได้สอนจิตใจอู้ปฏิบัตรริต้องทำเองอย่างนี้ให้เห็นความหลงเองถ้ามีสตินะ ปฏิบัติเองไม่มีใครมาช่วยได้มันจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างถูกบ้างสิ่งนี้มันผิดบ้างจะได้เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องถูกต้องเป็นธรรมขึ้นมาหรือว่าดูเหลอกอยใจให้มันปลอดภัยไม่มีภัย อะไรที่มันเกิดขึ้นมาแต่ก่อนนันใจที่วิถีผิดวันที่ก็ติดเหล้าติดปุรีแล้วก็คิดขึ้นมาแสดงอก <c oughs> อกติดดังอารมณ์เกเ้ตนะเคอชิดอะไรนาะมนก็ไหลไปแล้ว น, นั่งกับทวนกับขึ้นมาลู้ที่กายตั้งไว หลงที่หนึ่งก็รู้ที่หนึ่งเกิดไหลขึ้นมาก็รู้เนที่ตั้งเอาไว้เรียกว่าที่ตั้งของการกระทํารียว่ากรรมฐานมีที่ตั้งอยู่ทุกคนมีกายอยู่ทุกคนมีสติอยู่ทุกคนตามที่พระเจ้าเสาสอนด้วยมีสติปายในกายตามบ๊ะปะต่างๆเยอะแย ะ, ยะ วัสดุอุปกรณ์ที่มาผิดความรู้จาตัวเนี่ย <c oughs> อยู่ในกายเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนโูเหยอะเคลื่อนไหวหายใจที่เป็นสิ่งที่ตั้งหลักไว้ก่อนส่วนมันคิดมันมาทีหลังจะได้เห็นมันจะได้สอนมันถ้ามีที่ตั้งนือนกบ สมอลภูมิที่มีชัยภูมิที่ดีจะได้เห็นค่าศึกศัตรูทางผิดทางถูกทา ง, ท, างที่จะดำเนินไปอย่างไงจะได้เห็นถ้ามีสติไปในกายสิ่งที่มาเกิดเคลื่อนกายก็มากมายเพราะมันมีกายมีใจมันเคลื่อนมันไหวมันคิดอะไรได้มีเคลื่อนไหวอยู่นี่ ดูก่ยเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกอยู่เนี่ยจะอย่าไปกับตามความคิดหัดใหม่ๆอย่าหาคำตอบจากความคิดต้องมาลู้ที่กายก่อนในเวลาที่เราหัดไม่ใช่หาเรื่องเหตุเรื่องผลมาตอบเอาเหตุเอาผลมาตัดทิ้งใจให้เป็นความผิดความถูกจากความคิดอันนั้นไม่ใช่ศึกษาแบบนั้น กรรมฐ า, านไม่ใช่ศึกษาแบบนั้นเดินพระพุทธเจ้าเราสิทธะทอเพใหม่ๆต่คิดนะเหตุนนะ้าผลล้วก็ไม่ไม่อยู่ที่โพธิบัลลังแล้วลุกไปแล้วนั่งอยู่โพธิบัลลังคิดถึงภาษาจานุดูอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันถูกต้องอะไรมันลำบาก ปลอดภัยยังไงเร่องประาสาทสำดูกับอยู่คีดปหาโพเด้นมันต่างกันยังไงเอาเหตุเอาผลนอนไม่นั่งแล้วลุกไปแล้วอันนี้มันด้เอาเหตุแล้วผลแบบนั้นอา้าวมัยึดไปหรือกลับมาลู่ที่นี่เราม่แช่มานั่งคิดตาเหตุเาผลเรามาฝึกสติให้มันลู่เนี่ยกู้เขียนเขา้าเหยื่อฉันหนวกให้ลู่สึบตัวอยู่นี่ กลับมากลับมามันไปไหนก็กลับมาตั้งไว้มันไปไหนกลับมาตั้งไว้แรกก็หนักหน่อยทวนก็เสียมากทีเดียวฝึกไปใหม่คนเคยมีลูกก็คิดถึงลูกคนเคยมีเมียก็คิดถึงเมียคนเคยมีความสุขก็คิดถึงความสุขคนเคยมีความทุกข์ก็คิดถึงความทุกข์คนเคยมีความรักก็รักก็คิดถึงความรักความเปรียบช่อง เคยเห็นผู้มาปฏิบัติก็ได้สำหรับการามเวลามาสร้างที่วป่าก็คิดไปถึงลูกแล้วลูกสองคนโอ้อุปฏิเหตุรถชนตายเป็นทุกมาปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรปฏิบัติก็นยาก คิดเห็นแต่ลูกสองคนจะเลี้ยงลูกไหวไหมเนี่ยพ่อมันตายแล้วพ่อตายแล้วจํง่ายจังหวะจังหวะคิดยังมีโอกาสคิดมากเวลามาอยู่อย่างนี้จังหวะถามหลองตาก็บอกว่าม า, าถามหลวงตาว่าหนูเนี่ยมีลูกสองคนจะเลี้ยงลูกไหวหรือไงเนี่ยพ่อเป็นครูหนูก็เป็นครูรถรถฉันตายไปแล้ว มาคิดเรื่องนั้นหาคำตอบจากเดินนั้นไปกันน้องก็หิวหิวสตินี้ไปกลายเป็นความหลงความคิดไ ด, ได้ความคิดมากกว่าที่ได้ความรู้ต้องทวนกระแสจักหน่อยก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงสองคนถึงสามีที่ตายไปให้มามีสติเนี่ยกลับมาสิมันคิดไปกลับมา ลูกก็อยู่บ้านโน้นเราก็อยู่นี้มันรู้เรื่องอะไรพ่อที่ตายสามีที่ตายไปมันรู้เรื่องอะไรพ่อทาความดีแทนเนี่ยเราทําดีเนี่ยเราลักลูกเราต้องเป็นคนดีดิมีสติอยู่เนี่ยปล่อยตัวเองทุกโซโซทําไมรักสามีคนแต่คิ ด, ดอยู่ในประโยอะไรกับว่ามีสติเป็นคนดีนีย่ยิ่งมีความรักก็ยิ่งรับผิดชอบตัวเองให้มาก ลักพ่อักแม่ลักลูกลักผัวก็ต้องเป็นคนดีปื๊ดฮาร์เตี่ยมันจ ะ, ะเกิดความดีขึ้นมาให้สอนตัเอยอย่างนี้เราก็เคยเป็นอย่างนั้นหลายชีวิตเป็นอย่างนั้นมาแล้วบอกว่าชีวิตใช่มานานแล้วเป็นลดมือสองมีแต่ลอยลอยชนลอยบุบลอยอะไรต่าง ว่าจะได้เห็นจะได้โ้อมให้เป็นความรู้สึกตัวซะอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้จึกตัวมีที่ตั้งอยู่นี่กลับมารู้จึกตัวคู่เฉียนเข้าเยืเ่อเฉีนหลอกให้รู้สึกตัวอยู่นี่เรานี่ทําอย่างนี้ให้โตเนื่องให้ต่อเนื่อ ง, อ, อ, งอะไรมาเปลี่ยนมาเป็นความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ให้ทําอย่างนี้เรียกว่าฝึกกรรมฐ า, านหรือว่าวิปัสสนาโุละ จะได้เปลี่ยนอะไรมากมาย น, นาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีหลอกที่มันแน่นหนาะ1 4จังหวะรู้ทุกวินาทีนี่ไปกลัวอะไรให้ฝึกตัวนี้เอากายมาฝึกตัวนี้เอาชีวิตจิตใจมาฝึกเรื่องนี้ไม่ใช่มาชิดนาะเห็นหน้าผนปฏิเปล่เรื่องคนอื่นริ่งอื่นวัตถุอื่น หมเป็นภาะอะไรก็ตัดไปก่อนยุ่มากก็ตัดไว้ก่อนคนพูดอะไรที่วุ่นวายก็ตัดไว้ก่อนแวกหาหาแวกมาได้แต่ความมุ่นวายในควา ม, มืดแปกก็มาได้น่ะดีที่สุดเลยคนสอบสนตเองแวกมาหาความรู้จักตัวได้ทุกโอกาสมันอยู่กับเราแล้วความรู้จึกตัวที่จาหนด กรรมมันถานเคลื่อนไหวไม่ใช่จะให้มันเรียบง่ายไปแต่พื่ต่เพือ่อ น, นั้นอาจจะไม่เจ๋งคนที่เจ๋งต้องรู้จักจสู้มาจึงจะเจ๋งเวียนลอยมันเป็นดีมาจึงจะเจ๋งจึงจะมีเหลี่ยมที่ยกไหว้ตัวเองได้เหมือนพระเอกที่เขาเป็นพระเอกนางเอกได้เขาต้องสู้ทุกสู้ยากมาจริงไปพระเอกนางเอกได้ อะไรก็ตามไม่ใช่จะได้โดยง่ายๆปฏิบัติทำเนี่ยก็ต้องบอกบั น, นบทักหน่อยไม่ใช่แบบขี้เกียจที่การกำหนดไม่ตายแน่นอนเดินจงกรมนั่งสร้างจงังหวะมันก็ไม่ได้มีโทษ ตัวกายต่อใจเลยเคลื่อนไหวมือมันดีหายใจเยาวเยามันก็ดีบริหารปอดเคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะนี่จะทำให้ระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อระบบหน้าอกต้นคอมันจะดีไม่ได้ไม่ได้นิ่งการเคลื่อนไหวเลือดลมก็ไหลดีก็การบริหารร่างกายโดยตรงยิ่งเราเดินจงกรม เดินลงพ่เนี่ยเก่สองปีเดินสูก้กับพ่อนุมน่มๆเลยต้งวันเลยเ <laughs> ดินจ้กรมต้งวันเลยวเ้วเ้วเหมือนเด็กน้อยเลยเดนินป้วแว่น เ, ย, เยนะนี่มันก็แส็งแรงขึ้นมามันก็เนการบริหารร่างกาย <c oughs> ยังหายใจเข้าหายใจออก ปอดมันก็จะเข้มแข็งถุลงลมในปอดจะปีกํำลังของอกเลือดพอกลมได้ดีหายใจยาวเอิ่มกมรู้สึกตัวเขาปล่อยกับลมหายใจมันก็มีรสมีชาติมากเลือดหน้าแดงขึ้นมาอิวพันดีนะหายใจลึกๆเลรู้จกตัวก็หม่เลือดลมมันจะดี นั่งใหม่อยู่เรื่อยตั้งท้าใหม่อยู่เรื่อยอย่าไปนั่งอยู่ท่าเก่าลันนานหวันจะกห้าพระตั้งต้นใหม่ให้มันชัดเจนแม่นยำอยู่ทุกโอกาสการฝึกใหม่อย่าไปทําแบบกบกบเกนเกินเล่นเล่นห ล, ลงก็หล ง, ลงไปไม่ใช่อย่างนั้นหลังจะเป็นนิสัยอย่ดื้อด้านเอาจริงจังจับให้เหมืนติดจริงๆ ฝึกตนสอนตนนี่ก็อาจจะยากกว่าฝึกคนอื่นวันนั้นตาฝึกคนบ้าให้มานั่งอยู่ใกล้ๆให้เดินอยู่ใกล้ๆให้อยู่ให้เสริงตาสายตาเราเวลามันผิดจะได้สอนมันคนบ้าวันทีก็ให้เดินอยู่มุกเอาไว้เตะต้นไม้ทําพูดพิตๆไปชี้ไม้ชี้มือไปก็เรียกมามาเรียกมามานั่ง ามือบิดต้นขาบิดต้นขาอย่าทำนะให้รู้สึกตัวอย่าทำอย่างนั้นเดินก็เดินจนน้ำตาซึมมันเป็นเด็กมันเป็นเนรลูกขาวบ้านกล้ใกล้ ก, ลกันพ่อแม่เขาออกมาให้เลยให้บวชเนนเลย แล้วก็จบตาทุกครัง้งเมื่อจบตารเราก็สอนมันช่วยมันให้มันรู้ขนาดมันเหมือนกับเราสอนช้างสอนมา้าสอนวัวสอนหวยแล้วมันปิดมาเลยก็สอนมันเช่นเวทีมัเทียมเทียมข้าเทียมถ่ายไปทั้งมันไปใช้ก็บอกไปขวหัว้กอนไปัว้มาก็บอกไปใช่ใช้ เอากลไปเถอามัานไปตงเออไปตรงตรงไปตรงไปตงไปพูดเจ้ากนี้กับบัวก็ป่วยก็รู้เรื่องกาสอนน่อนี่เราสอนเราสอนคนบ้านนะเมื่อไปผิดทีใดันไม่รู้เราช่วยมันเตือนมันเอาไปมาแล้วก็ไม่ประสบตาทุกครัง้งให้มันหลง เราทำท่าไม่เห็นมันนั่นก็มองหาเราเราแสดงว่ามีสติแล้วแล้วมันหลงตเองมองถึงเราว่าหลองก็จะบีบขายึดไปเก็บอีกรู้เสีตัวกี่หน่ะก็ไปมาก็ดีได้นลยสมน์ตัวเองก็ให้ทีๆอย่างนั้นดูให้ทีๆมีสตินี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเป็นธรรมที่สุดมีสติเนี่ยเปิดความเป็นธรรมทั้งกายทั้งใจด้วย ทุกที่สุดสติสามัญญาอุปการละคุณพระเจ้าจึงใช้ชื่อว่าอุปการละมากเหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้ใดมีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อวันแม่ว่าอยางนั้นพระที่เจ้าว่าอย่างนี้นออนให้สัมผัส ด, ด้วย ด, ดีมันจะติดเหมือนกันน่ะกายมันจะติดกับสติ ใจมันจะติดกับจิตึกใหม่ๆก็ต้องสอนเหมือนต่อไปต่อไปก็เริ่มสอนตัวมันเองในกายก็จะมีจิตไปเองในใจก็จะมีจติตไปเอ ง, ใใ ต, เองต่อยอดไนเรื่อยก็เลยมากมากจกายเป็นศิลเป็นสนมาธิเป็นปัญญาเป็นไตจิขาไปเลยประมาณนั้ เมืม่อมีศมีสมาธิปัญญาก็สรถสรุโงกงามขึ้นมาครับคำจดจีเลจงางได้อย่างหนึ่งได้ล่วงพ้นกว่าภาวะเก่าเรียว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นมาวิปัสสนาเกลูกแก้แจ้งล่วงพ้นภาวะเดิมๆล่วงพ้นภวะเดิ ม, ดมต่างเก่าพ้นภวะเดิมดีกว่เาเก่า ผลทีุองเก่าะเป็นสินขึ้นมารู้สึกเป็นสินเป็นนักปฏิบัติธรรมโดยผู้ไหนฟังแต่ผูใ้ใดยังไม่ฝึกสติยังไม่มีรสชาติของการบวชหรือว่าไม่ได้บวชเลยก็ตาย อ, อย่างที่ผูใ้ใดฟังแล้วว่ามีเพื่อนรูปหน่งที่หมายปฏิบัติธรรมด้วยกันสมัยอยูบ่บ่าวพุทิยาม บวชได้แปลวัามาฝึกปฏิบัติธรรมก็ไม่เกินหนึ่งเดือนก็พูดออกมาจากปากท่านเองว่าเพิ่งได้บวชบวชเดี๋ยวนี้ในบวชมื่นเดือนสองเดือนเองแต่ ก, ก่อนไม่ได้บวชเลยคือบวชนี่คือปวชรอเล้วความช่วทำความดีไม่เคยไแล้วความชั่วไม่เคยทำความดีกับกากับชัง พอมามีสติเราได้ละความชั่วได้ทำความดีทำให้จิตบริจูดเป็นศินขึ้นมาหรือว่าได้บวชในบวชเป็นรสชาติของการบวชขึ้นมามีลดพระถมขึ้นมาบ้าง น, นี่แี่ ว, ว่าที่เกิดศินเกิดสมาธิปัญญาไม่ใช่ประท้องจมเกิดแต่จิตข่าวไม่ใช่ประท้องจม เราหลังเดาสาเสียพระโชติช น, นบนวัดพระเห็ความทุกข์จากเงาแล้วความทุกข์เป็นเมื่อหนาแล้วทำจะไหนาการทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งสช่นนี้จะปรากฏดชัดเจเราได้ปีกุหนังจิกาสาชีวาสมามปนาต้องศึกษาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนี่ยศึกษาและทำฝึกษาปฏิบัติธรรมเป็นเครื่อเลี้ยงชีวิตให้ได้ชีวิตของความเป็นพระ ต่อจากความร้ายให้เป็นความดีขึ้นมาที่เหมือนเกิดกับการใจเราเนี่เป็นมั่นใจมั่นใจที่ใช่กายให้ถูกต้องใช้ใจให้ถูกต้องมีเกณฑ์คิดวัดตัดชิ้นใหญ่ด้วยความถูกต้องชอบทำเป็นมาตรฐานการใช้กายใช้ใจเมื่อเราใช้กายใช้ใจถูกต้องมาตรฐานความเป็นธรรมเราเกิดความธรรมอีกมากมาย ต่อสัพพจริงต่อผู้คนจงวนมากแลวเป็นคนดีตอบุญแทนคุณพ่อแม่ได้รักพ่อรักแม่จริงๆแบบนี้รักผัวรักเมียรักที่รักน้องรักคนทั้งประเทศความรักก็เกิดจากจิตใจที่ฝึกมาดีมันกว้งใหญ่ไพศาลเป็นอัปปัญญาธรรมไม่ใช่รักเฉพาะบุคคล เมตตากุหลาเกิดขึ้นมามากมายทำที่เป็นลล ก, กุศลอกุศลน้ายก็พ่ายแพ้ประหลาดใจปเปลียนแปลงบปเกิดคดีคนคนหนึ่งเช่นผู้เจ้าของเราเกิดลำบาพกพระองค์เดียวนี้จนมาถึงพวกเราคนนี้เกิดลอยขึ้นบางมากหล า, ายกายกองตั้งต้นอย่ากายจากใจของคนคนหนึ่งทึ่งเป็นสามันชน มานั่งคู่แขนงเขา้ามานั่งเหยียบสันโดษลูกศิษตัวนี่ศึกษาแล้วนี่กวาจะได้หลักตรงนี้กือบตายไปแล้วเป็นปีที่หกพระศิทธัตถะจึงเป็นศาสดาตัดรูปเป็นพทธเจ้ามาจึงมาแล้วจากสูตรแน่นอนหรอกเปลี่ยนไม่ได้ป่านนี้จิงตรงนี้จึง เป็นความสะดวกสำหรับพวกเราผู้ที่เป็นพุทธบริษัทเกิดสุดท้ายภานหลัง 2,600 ปีมาแล้ว <c oughs> ได้มรดกกาศรศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากวิชากรรมว า, านในพระสูตรมีอยู่จริงครับเป็นตัวดังเสื้ออาจารย์ทรงสิน์สร้างไว้ที่ลานธรรมวัดไตยพือศก ออกมาจากกายจากใจเรานี่ศึกษากายศึกษาใจเป็นสูตรจึงเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติต้องทําเองศึกษาเองทําได้ทุกคนเดีายามันหลงรู้สึกตัวอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นพิมพ์ไปก่อนเป็นสิ่งที่อาศัยเป็นดิมิตเกาะไว้ก่อนลับรู้จักตัวกับรู้สึกตัวเนี่ ไม่ต้องทำออื่น อ, อย่ารบกวนกันอย่าทำอะไรให้กันพลาดงานเร้่นี้ให้โอกาสกันให้โอกาสกันใมากๆสนับสนุนขอเป็นส่วนร่วมกับทุกคนที่ึกด้านนี้ mm hmm. ก็มันเป็นบุญเป็นกุศลจรงิงๆผู้ที่ช่วยเหลือผู้ที่ mm hmm. ก็ได กุศลต้องสองฝ่ายทั้งผู้ปฏิบัติทั้งผู้สนับสนุนให้คนเป็นคนดีถ้ามีสติก็กำละละความชั่วอยู่แล้วถ้ามีสติก็เราังทำความดีอยู่แล้วถ้ามีสติกิตก็จะบริสุโภ์อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องถูกต้องที่จุดแล้วอย่าไปลังเลสงสัยอะไย นะครับตอบอะไรผิดอะไรตักอาดจอโน่นอัจนอจนนี่ทำไมสอนแต่ได้ทำไมสอนอย่างนี้มันใช่ได้ไหมเวงยกยกมือไปลุกเมื่อรู้จึกตัวเนี่ยมันมีต้องมีวัตถุที่กำหนดให้รู้จักตัวจะไปเรียนไปจาเอาไปไปได้ต้องสัมผัสให้มันมีให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันรู้ทำไมมันเป็นเมื่อวันหลงรู้เป็นไหม นี่ค่ะต้นเป็นเมื่อมันทุกข์รูปเป็นไม้เมื่อมันโกรธรูปเป็นไม้หรือว่าหลงเป็นหลงหรือว่าทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธอั น, นั้นอยางทําไม่เป็นทั้งทั้งที่รู้รู้ว่ามันไม่ดีความทุกข์ก็ไม่ดีความโกรธก็ไม่ดีแต่ยังโกรธยังทุกข์อยู่อั น, นั้นทําไม่เป็นวิปั จ, จนากรรมฐานทําเป็นไม่ใช่รู้ การทำให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสอนได้นอกจากตัวเราสอนตัวเราเองทุกคนต้องสอนตัวเองเวลาวันหลงลูกในคราวเดียวกันนั้นมันจะมีให้เวียนอยู่เสมอว่าแต่มีติจะได้เห็นงานมีงานในการทําขึ้นมานั้นจะเป็นกอบเป็นกำขึ้นบาเรื่องลูกก็ไม่ได้ฟรี รู้เอาลู้เอาลู้เอามันก็เจ็บเอาเหมือนซับเหมือนอะลีซับความรู้จักตัวเนี่ยเหมือนอะลีซับเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาจากกาจากใจเจ็บเอาจากสิ่งที el, ep, ่ม네ันไม่ใช hmm. ่ความรู when, ้ให้เป็นความรู้เยอะแยะเจจก็พันห้าตัณหาก็ร้อยแปดที่มันอยู่ในกายในใจในรูปในนามนี่ เหยื่อเล่าเจ็บมาเป็นความรู้เจ็บมาเป็นความรู้จนมีความรู้มีแต่สติแล้วเหล่าอยู่ปณิพานไปเลยพอ <c oughs> เราฉกเจอพราะเราฉกแล้วทุกเสียดายมีสติแล้วเราอยู่พระรพรุทธเจ้าปณิพานอย่างนี้ไม่ใช่ปณิพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ปณิพานนี่มีอยู่ในเราทุกคนทําให้มันเป็น ให้เจ็บเป็นเจ็บถ้าไม่หัดก็เจ็บเป็นเจ็บทุกเป็นทุกตัวหัดก็มันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเห็นมันเจ็บมันี้เป็นผู้เจ็บเห็นมันทุกข์มันี้เป็นผู้ทุกข์ม่สติมันจะไม่เป็นอะไรถ้าสติปัฏฐานเป็นมหาสติมันจะมากอะไรจะมาเหนือไม่ได้เพราะมันเป็นลึกสูธรงมชอตยิ่งใหญ่เป็นธรรมมันยิ่งใหญ่ อยากให้เป็นอื่นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนมาไดาทำให้มันเป็นคู่แขเขก็รู้จักตัวอย่าคู่แข่เคลื่อนไหวเฉยเฉยง่วงเหงาตั้งง่วงเหงาหัวนอนต้องพูดต้องคุยกันมันไม่ชัดเจนมันจะหัดตัวเองไม่ดีอย่าเป็นนิสใสไปจ้าขี้เล่นไปจ้า น้ำเล่นเล่นเว้จ้จริงจริงจังจังตั้งท่าดีตั้งท่าใหม่ดีๆตั้งท่าใหม่ดีๆกีตาร์ลงไปบรนจงลงไปทําให้มันบรนจงซะหน่อยแล้วโลหิตทํางานในบันจงใส่ใจตรงที่มันส่างปลานี่ตรงบันจงมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้มันจงมันสวยขึ้นมาทั้ง สาสต์ทั้งสิ้นทั้งสติทั้งปัญญาทั้งจิตใจอารมณ์ใจอารมณ์ก็ไปศรัทธาก็ไปใส่หวงเพียงก็ไปใส่สติก็ไ ป, ใ ส, ไปใส่สมาธิงั้นก็ไปใส่ปัญญาก็ไปพลังห้าเรียกว่าอินทรีย์ห้า พลังงการตัดจรูนนะนี่ศรัทธาเนี่ยเบิกไปก่อนเหมือนผู้นำไปเชื่อก mm hmm. ารต่อตู้พระเจ้าพระเจ้ามีจริงเชื่อว่ามนุษย์เรานี่พัฒนาได้จากสมัญชนสามารถเป็นพุทธะได้เชื่อมัน่นตัวเราไม่ใช่ไปเชื่อคนอื่นเอะไรที่มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเชื่อมั่นว่าพัฒนาได้เจอได้เจอได้ ความหลงก็จะได้ความลุกจกะได้ไม่มีหวังใหม่แล้วก็มีอะไรช่วยกรรมฐานช่วยเขาไปสัมสุนเขาไปาไปนั่งซ น, นั่งเศ้านั่งซึมอยู่โรดออ ก, กมาแบกมาลงมาแม้มันมืดมันก็นมีริบหอยู่ก็มันออกมาออกมาจะเกิดความสว่างที่หลังมอนไป DC อว่าเอซีดีซีเนวลาตามลงรงแ้วเราไปพักที่บ้านที่หลังตอไประโยู่สอนัดต้อไปอยักฎหมายเขานะไฟดีซไ ป, DC, ไปเอซีขอเวลาก็าคืนนี่มันต้องมีไฟดีซีมีแสงไว้ ทางออกประตูต่างบอกที่บอกทางเห็นตัวหนังสือถ้าเกิดไฟผ้าดับเรเห็นทางวิ่งออกประตูได้ไม่หลงไปถามทางเอคติแอคติก็เขียนได้ทางออกทางออกทางออกตัวเราแล้วก็แม่มันลิฟลีก็มีทางประโยชน์ยิ่งเราได้ฝึกไว้ก็อาจะยิ่งมั่นใจยกมือขึ้นมา เคยไปสอนคนแก่ที่โยงไปหวานเขาพ่าตัดลูกมาล้องว่าเขา อ, อกตัวแมงค่าข้ากู้จำหมายกูไทปทําำพละารัยกูมีลูกมเมียอยู่บ้านมีบ้านเอากูมาไว้ในจำหมายเอ า, าว่าเขาผ้าตัดตัวมามาอยู่บนเตียงระมืออยู่ โรคก็อนเดินอยู่ข้างๆเราไปดูแล้วก็จับมือจับมือนวดมืตัวตู้โพตู้ด้จักอาตมาไหมก่อนมังเลยนะรู้จักกันเลยยาเขียนตดวไหนยาข้างเขียนด้ว ย, อยเยวยอยเยยอเคยรูย้จักเนาะจาได้เนาะเคยไปอยู่ด้วยกันไหม เออเคยไปตีไปตีบาดกับวัญญาแหลนแล้วปัญญาเป็นสอนอย่างได้สนให้ยกมือสอนเชื่อว่าเออยกมือดูชิอวตัวเวกมือซึก็ยกนอนอยู่ก็ยกมือพอยกมือก็รู้สุตัวดีไหมรู้สึกดีรู้สึกดียกดีนี่นาะรู้อยู่นี่นะแตลานี่ไม่ใช่เขามีอหลายดอกวตูไม่สบายลูกเต้าเขาพามหาหมอ กำลังจะดีแล้วนี่ยต่อมลูกหมากทําผ่าตัดต่อลูกหมากกําลังจะดีทําใจดีๆนะรู้จักตัวนี่นะก็หลวดวุ่นวายรู้จึกตัวก็หลับไปเลยอย่างนี้นี่มันขั้วได้ขั้วได้ดีืว่า ข, ขาานนาึ้นเข่ายอกจนดอกยอดแฉมผมก็ยังดีมันขั้วมาได้อาจจะได้รูต้ตัวนั่นก็ได้นะถ้าเราไม่ฝึกก็เลยมืดแปดด้านนะจนเขามันมก็จนไปเลยทุกข์ก็ทุ ก, ทกไปเลย รักขั้งหนึ่งเอาใจตกก็ะไดคอยก็โจนเนาะปฏิบัติหนึงฝึกเอาไว้ก่อนไม้วันนี้ไม่มีอะไรไม่รู้อะไรต้อย่าประมาณยังไม่โจนถึงเขาโจนมาจะ้ะหาทางออกอะไรกลับมาเลยจากปีประยุน์ในช่วงนั้นตกก็ะไดพาก็จนได้สวัสดิภานตอนจะจะขาดสักหนึ่งนาทีก็ได้ดีไหม สองคนเจ็เหรอ